ไหวกันไหมันะอะสังเกตนหเวลาพอเราทำตออเนืองแล้วสมาธิมันก็จะมากขึ้นหรือบางคนยิ่งทำสมาธิยิ่งหาย แต่ส่วนใหญ่ถ้าทําก่อนนะสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสมาธิคืออะไรคืใจมันก็เริ่มๆไปๆอยู่ตัวมันตั้งมั่นมืนมันคงมากขึ้นแต่ก่อนอาจจะล็อกแรกล็อกแรแต่พอทำเรื่อยมันก็จะมั่นคงขึ้นแต่บางคราวมันอาจจะเห่อไปคิดอีกคุ้งข้านอีกก็ไม่เป็นไรนะแต่จิตมันจะมั่นคงมัอนคล้ายสมมติ ดินเลนะคือมติในปักในโพล น, นะถ้าเราเอาไม้หลอกลงไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะมันก็ยิ่งจะเรียว่าแข็งแรงมั่นคงไม่โยกเยกไม่คลอนแคนจิตของเราก็เหมือนกันก็เราสุดเรื่อย ๆ, ๆแต่มันก็จะมีความมั่นคงแม้จะเบี่ยงไปสุกบ้างทุบบ้างมันก็จะกลับมาเป็นปกติจิตมันอาจจะเบี่ยงไปไม่เป็นไร เราไม่ได้ฝึกให้จิตมันไม่เบี่ยงนคือว่าฝึกให้จิดมันจิตเฉยตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นแต่พอมันไม่เฉยเรารู้ทันนะั่นแหละหรือว่ามันปกติอยู่ก็รู้ทันของมันนะคือคล้ายๆมันจะมีหลักมีมาตรฐานที่จะกลับมาเป็นปกติจิตเฉยขอมันนี่คือหลักของการฝึกไม่ใช่ว่าให้คิดอะไรอันนี้เพราะนั้นเวลามีความคิดหรือความคล า, านมีอะไรเฉยขึ้นมาก็ ก็ แ, แค่รู้ัมันมันไม่ยากเกินไปนะนก็ต้องลองฝึกไปกระจายยางรือแม้แต่เดี๋ยวสักครู่เราไปทานอาหารเลยนะองสังเกตนะลองลองทานช้าๆดูสักหน่อยอาจจะไม่ต้องถึงแับช้ามากนะแต่เวลาเคี้ยวนะลองใส่ใจในการรู้สึกว่าเคี่ยวข้าวแต่ละคำลิ้นสัมผัสกับรสชาติอย่างไรจิตใจเรารู้สึกอย่างไรเวลาตอนที่ สัมผัสกับรสชาติเช่นนั้นนะเรารู้สึกกับกาเรเที่ยวหรือไม่ตอนนั้นลิ้นรับรู้รหรือเปล่าหรือบางทีใจเคยคิดผมแต่งต่อหรือเปล่าหรือคิดออกนอกเรื่องหรือเปล่าก็สังเกตนะมันเป็นคล้ายๆเป็นแบบนั้นต่อทานข้าวนี่ก็ขาดพสติกดีนะถานข้าวนี่เป็นนะขาดพสติกนะออกไปได้ง่ายเพราะว่า ในรสชาติของอาหารหรือว่าในความคิดที่มันไหลไปเรื่อยๆเพราะเป็นความกตัญญูมากที่เราไปคิดกับการทานโดยไม่ต้องใต่ใจอะไรมากแต่ก็ต้องสัง เ, เกตดูหรือบางทีสัง เ, เกตเวลาเราเปลี่ยนนิยาบทพอบอกว่าพอแล้วพอปฏิบัตาฐาฐาิพอเดินกลับมาตรงนี้ได้ปฏิบัติไหมพอเดินกลับมานั่งที่นี่เห็นบาคนวี ดีใจมีไหม <c oughs> อ่าได้พักสักทีเดินมาก็เลยลืมตัวไปเลยก็มีแต่บาคนก็ไม่ใช่ไงบางนนคนก็เออดีใจก็รู้เดินมาก็รู้ใช่ไหมนั่งดมงก็รู้นี่แค่เปลี่ยนทียาปวดเใจแต่บางคราวเราสังเกตบางทีการรู้แบบสบายๆ บ, บางทีกับรู้รได้ง่ายกว่าเวลาทำในรูปแบบบางทีเราจริงจังเราเคร่งเครียดบางที เวเดินเครียดหรือว่าเหนื่อยหรือว่าหนักแต่พ อ, เ, อเดินกลับมาสบายๆมันเคลื่อนแบบไม่ได้ตั้งใจมากมันกลับรู้ตัวได้ได้เรียกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายกว่ากันเยอะนั่นก็ลองดูนะถ้าเรารู้สึกว่าเวลาทําในรูปแบบ้มันเครียดมันมันแน่นมันไม่สบายลองเดินปล่อยมือเลก็ได้นะเวลาเดิน เก็บมือไว้ข้างหน้าแล้วข้าหลังมันรู้สึกไม่สบายก็เดินปล่อยมือเลยหรบางทีเดินกลับไปกลับมามันไม่สบายเดินยาวๆเดินวนๆดูบ้างก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดว่าจะเดินเรารู้สึกรู้สึกตัวอยู่นะเนะี่เดินบางทีเดินช้าเดินไปมันเพ่งมันจ้องมันซึมก็เดินเร็วขึ้นนะยกมือก็เหมือนกบางทีก็ไม่ไม่ต้องอว่าจ่ต้องยกแต่สิบสี่ท่า มีเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่าก็ได้แต่ไม่ใช่แบบไปคิดเน่น f f. เน้นหนูเพือจะเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนให้จิตมันตื่นขึ้นมาว่างเปลี่ยนให้จิตมันคล้ายมันไม่ซึมไม่ชื่อินไปก็ไดนะ้ถ้าถามเป็นแค่เรี ย, ยกว่าเป็นรูปแบบภายนอกแต่จริงๆว่าจากสัมผัสทำางไรจิตจะรู้สึกตัวทําไรจิตถึงจะตื่นขึ้นม า, า, ท, านมทำอย่างไรจิตถึงจะไม่เรียกว่า ไม่ไปจบกับความทุ้มซาดนะเราต้องหาวิธีทำเราตอนนี้ก็คือประสบการณ์เนาะในการปฏิบัติของพวกเราแล้วก็ดูดูแต่สังเกตุพวกเราเท่าที่ดูไปนอกก็โอเคกันอยู่นะหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไม่เป็นหาอะไรเปลี่ยนแต่ว่าต้องเก็บประสบการณ์ของตัวเองไปเรื่อยๆบางทีก็เห็นผิดเห็นน่วงเห็นคิดบ้างก็ ไม่เป็นไรหรอเราต้องรู้จักด้วยตัวของเราเองอ๋ออาการเป็นแบบนี้เนาะเราจะแก้เราจะผ่านได้ยังไงเราต้องฝึกลองดูเองควนี้เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ที่พอเราชำนาญแล้วเิ่มนจะออกมาได้บ่อยขึ้นคุงเนี่ยกำลมีอดสงสัยไหม คือไอสงสัยไม่มีครแต่ว่าเวลาหน้านีいい่ผมผมจะทาได้น้อนกว่าเชินจบครมคือหน้านี่อาจจะครึ่งหนึ่งของเดินจงกรมแต่ถ้าเดินจงกมอย่างที่ว่าร่างกายปกติดีนี่เดินครึ่งวันเยอก็ได้ก้อมเป็นอย่ไรเรารู้สึกเราทํารูปแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันรู้สึกตัวได้ดีกว่าก็เอาแบบนั้นไม่ ไม่ใช่ว่าคือบางทีมีคําในสมัยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าียาบทเสมอียดยาบทเสมอก็คือยืนเดินนั่งนอนอะไรนั้นให้มันเสมอกันแต่เสมอในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบ่งแบ่งตัดส่สวนให้มันเท่ากันแต่ียาบทเสมอคือว่าจะอียาบทไหนก็แล้วแต่คนรู้สึสกตัวเหมือนกันอันนี้คือความเสมขอข อ, ของของ ข, ข, ของท่าทางคือไม่แต่อียาบทย่อยก็เสมอแต่ียาบทใหญ่ กูเหยียดเคลื่อนไหวกินดืมขับถ่ายก็มีสติเท่ากันอันนี้คือคือความเสมอในทางเรียกว่าในทางธรรถึงไม่แค่ว่าต้องแบ่งให้เท่ากันถ้าใครถนัดเลยจะโฟมก็เลยเป็นหลักก็ได้เลยจะโฟมใครถนัดนั่งก็นั่งเป็นหลักก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ไม่เป็นหลักแต่พอ้าถึงคราวจําเป็นต้องสมมติในสถนานการณ์สิ่งแวดล้อง ันไม่มีโอกาสได้ยืนได้เดินแล้วนั่งก็ลองดอูต้องนั่งก็ดูนี่แหละความปวดความเมื่อยความไม่รู้สึสกคล่องในการนั่งนั่งได้ไม่นานก็ดูไปมันก็ต้องเรียกว่าปรับตัวให้มันได้เหมือนกันบางคราวไม่มีที่ให้นั่งต้องเดินมากมากก็อเอาเดินก็เดินบางทีนะบางทีนั่งไม่ค่อยได้ยุมงมันเยอะบางที่นะก็ต้องเดินเป็นหลักปวดเม่อยก็เอา ก็ไม่ได้ยึดอะไรหรอกแค่เรารู้สึกว่ากำลังเดินอยู่มันจะคิดซ้อยเรื่องพันครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกก็เราพอรู้ว่ามันคิดเราก็กลับมารู้สึกว่ากำลังเดินเช่นนี้พอแต่ไม่ใช่คิดว่าฉันกำลังเดินน ะ, ะไม่ใช่ปไม่ใช่ปินเฝ้าเฝ้าดูว่ากาลังจะเดินในมันไม่พอมันเดินสัมผัสเช่นสัมผัสพวกรู้สัมผัสรู้นะไม่ใช่ปิคอยที่จะรู้ ไม่ใช่ไปคอยที่จะรู้ว่าตอนเท้าเมื่อไหรมันจะสัมผัสไปคอยรู้เมื่อไหรมันจะยกขึ้นไปไม่จะไปคอยรู้แบบนั้นแต่พอมันสัมผัสมันยกขึ้นมันมีลมมากระทบรู้สึกที่ปัจจุบันตองนั้นเนี่ยเหมือนโยมลองลองแต่ตัวเองนะเนี่ยนียรู้สึกตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดที่จะแบบจะรู้ก่อนนะพอมันสัมผัสแล้วรู้สึกสัมผัสแล้วก็รู้สึกใช่ไหมนี่ยคือความรู้สึกตัวพอเรารู้กาย เรารู้ตรงๆเลยที่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมันเคลื่อนจะเหมือนกันมันก็รู้จริงสัาผัดก็รู้จริงไม่ต้องไปคอยเฝ้าว่าเมื่อไหร่จะสัผัดเมื่อไหร่จะเคลื่อนใช่ไงมมันเกิดขึ้นจริงคือตรงนี้พอความคิดแทรกเข้ามาก็แค่รู้ว่ามันคิดแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรแค่รู้ว่าจิตมันเถื่อไปคิดแค่นี้พอแล้วความคิดไม่ต้องไปให้ค่ามันเพราะ ความคิดมันก็เป็นแค่อาการที่มาหลอกพอคิดปุ๊บพอเราพอเราสนใจนะเราก็จะไปคิดต่อพอเราสงสัยว่าทําไมมีคิดหรือว่าในความคิดมันมีความสงสัยอยู่เราก็จะไปหลงคิดกับเรื่องที่สงสัยกับเรื่องของความคิดนั้นๆหรือแม้แต่อาการบางอย่างเกิดขึ้นนะบางทีก็ผ่านไปนะอย่างบางคนอาจปฏิบัติธราอาจจะเจอนิดนิดนิดิดเช่น รู้สึกนะเห็นรู้สึกเหมือนเห็นภาพหรือได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงอะไร ท, ที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ธร ร, ธ ร, รมดาอันนั้นก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมถึงมีนิมิตนะเพราะนิมิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่รอกให้เราหลงนิมิตเนะอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่มันเกิดคล้ายๆเหมือนเป็นภาพมายานะแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยการเป็นบัตรธรรมแบบผมพ่อเทียนใหญ่จะผ่านนิมิตง่ายๆเพราะว่าอะไร พก็เราไม่ไม่ได้เน้นความสงบไม่ได้เน้นเรื่องนิมิตฮนะพอมันเกิดขึ้นมาก็ผ่านันไปนิมิตก็ตกไปไม่ได้ให้ค่าอะไรนะบางคนอาจจะมีน ะ, ะมีได้ยินเสียงอหรือบางคนไปเจอนิมิตตอนก่อนจะนอนนะหรือตอนตอนยื่ตื่นนอนไปเจอบ้างหรือเวลาไปอยู่คนเดียวไปเจอลักษณะนิมิตแปลกก็ก็ผ่านมันไม่ต้องสนใจ เหมือนกับความคิดหนึที่เกิดขึ้นเหมือนกับภาพหนึ่งที่เห็นทํารูปประทับนี่แหละแม้มันจะเป็นรูปที่เห็นเหมือนคล้ายๆเป็นนามธรรมรู้ที่จิตแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วก็รู้สึกไปแบบนั้นแหละไม่เป็นไรเนาะแลกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวกับการที่กําลังทํำนี่แหละพอตัวเนี้ยมันจะทําให้มันคล้ายๆสติตมันคล้ายๆมันชํานาญ พสติมันชำนาญทั้งนี้การไหลไปการหลนไปมันจะสั้นลงเราไม่ให้ฝึกเครื่มให้ไม่ให้มันไม่ไหลไม่หลงไม่คิดแต่ความก้าวหน้าในการภ า, าวนาก็คือว่าความคิดจะสั้นลงจะเห็นได้ชัดเลยจากที่เคยปรุงแต่งึนกระทั่งเสียใจัมเลดีใจในมากมายหรือคิดไปหลายเรื่องต่อมาอความคิดก็จะสั้นสั้นสั้นสั้นไม่ทัน ที่จะคิดเท่ า, ทาไหร่ก็รู้ทันแล้วก็ลับไปจนบางทีมันรู้สึกบางทียังไม่ทันจะคิดอะไรเลยแค่คำดจัดนะคำังจัดนะคิดมันก็แค่รู้ทันก็จับไปประมันเหมือนกันนะเวลาเดินนะครแล้วถ้าสมมติหลับตาเราจะมองมองอย่างนี้ทายตัวเองเดินอยู่ นีเคยลองไปทําอย่างเช่นวิ่งในพวกเครื่องเล่นนะแล้วลองหลับตาแล้วก็วิ่งดูแล้วก็เหมือนมองเห็นตัวเพลงอย่อยู่อย่างนั้นถือว่าเป็นการตามดูกายอยู่หรือเป่ามันเป็นสมสถายก็มันก็ทําได้นั่นที่จริงมันก็ทําได้แต่จริงแต่ว่าถ้ามันรู้สึกเช่นรู้สึกที่ปัจจุบันไม่ใช่เปิดคอยดูนะถึงว่ามานก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองกําลังวิ่งนั่นแหละแต่ใช่จริงแต่ใช่จริงแต่ว่าเราไม่ได้ตี ไปแน่วแน่เกินไปคือรู้แบบสบายๆวิ่งก็รู้บางทีมันไม่ใช่รู้แต่บางคนจะรู้แบบเหมือนเยาวแต่ตอนเท้าสัมผัสสัมผัสสัมผัสตลอดก็ไม่ใช่บางทีการวิ่งมันก็มีการเคลื่อนอย่าง อ, างอื่นบางทีถ้าเรารู้รู้แบบสบายจะเห็นว่าบางทีตัวรู้อะ่ะมันไม่รู้อย่างเดียวหรอกบางทีก็รู้ที่การสัมผัสบางทีก็รู้ถึงไหลที่มันเคลื่อนมันวิ่งบางทีก็รู้ถึงสะโพกที่มันบิดอะไรเนะี่ย ถ้ารู้แบบนี้นมันจะสบายผ่นอนภลายไม่ใช่จ้องที่ยืดตัวเดียวเพราะที่จริงๆหลับตาก็ปฏิบัติได้เพราะอะไรดังนั้นคนตาบอด ก, ก็หมดติดในการปฏิบัติเสรจใช่ไหมคนตาบอด ก, ก็ปฏิบัติได้แต่กลิ่นแต่วว่าบางคราวหลับตามันจะทําให้เราคล้ายๆจดจ่อมากเกินไปจดจ่อจนสร้าง ม, มันร่างกายเป็นมันไม่ใช่แทนที่มันจะรู้สิทธิ์ใจมันแค่ น, นี้มันสร้างภาพในการรู้ด้วย แต่ถ้ารู้แบบรู้แล้วก็ไม่ต้องเป็นภาพมาก แ, แครแก่รู้แล้วก็บางรู้แล้วก็วางที่สำคัญรู้เป็นขณะรู้เป็นครั้งเป็นครั้งบางทีการหลับตาหรือว่าการการเช่กกนกันจ้องกันไปใช้เป้าดูมันมันจะทำให้เราไม่ใด้รู้เป็นครั้งแต่มันจะทำให้เรารู้เหมือนเห็นแบบการเคลื่อนไหวที่มันแบบต่อเนื่องไปเลยแบบต่อเนื่องยาว แต่จะไม่ใช้แต่ถ้าสติจะรู้เป็นรั้นเป็นชั้งเป็นครั้งเป็นชั้นบางคราวก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะแยกชัดอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็จะเห็นได้ว่าเออมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นภาพต่อเนื่องไปเลยแต่บางคราวก็รู้สึกคล้ายๆมันเห็นต่อเนื่องแบบนั้นแต่มันได้เห็นว่าที่จริงไอ้ตัวเต่นของแต่ละตัวก็ต่างกันอยู่นี่สติมันก็เป็นแบบนั้น ทำได้เคลื่อนเร็วก็ได้เคลื่อนช้าก็ได้นะ่ให้ดูตามความเหมาะสมในแต่และจังหวะโอกาสของเรานเนาะทักเทนก่อน้วกันเนาะไปลองปิดกับการทานอาหารนะ